นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสมุท <ana> ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสมุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสมุท <classy> ัสสะ โยธรรมังปรสสติโสธรรมังนปรสสติสติอธิปัตจะยะสเพธธรรมาธรรมโมสักกะจังโสตโพเตอุสนเทภัสสธรรมะเทสนาววละโอกาสต่อไปนี้ญาติโย่ท่านสาธุชน ผู้มีบุญทุกๆ ท, ท่านก็จะได้ฟังธรรมให้เราถือโอกาสนี้ปฏิบัติธรรมตามไปด้วยนะเพื่อจะได้ช่วยเพิ่มสติเพิ่มปัญญาเพิ่มกุศลบุญญะาศีเสริมสร้างบุญบารมีให้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่าน คนเราถ้ามีบุญมี ล, มละลมีบารมีมันก็มีความสุขมีความเป็นอิสระทางใจไม่ตกเป็นทาสของกิเลสของตัณหาไม่ตกเป็นทาสของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคนมีบุญนะ มีบารมีถ่ามูไม่มีบุญไม่มีบารมีก็ตกเป็นทาสของอบายามุกทั้งหลายตามที่พระพุทธเจ้าของเราสอนไว้เนาะอบอายามุกนี่เป็นที่อยู่ของคนมีทุกข์คนเราถ้ามีทุกข์ก็คือไม่มีบุญนั่นแหละผู้มีบุญมีบารมีจะไม่ทุกข์ถึงทุกข์ก็ทุกข์น้อย ถ้ามีบุญมากจริ่งกงก็ไม่ทุกข์ถ้ามีบุญกิ่งกิ่งก็สงบใจได้ทุกเวลาสงบกายสงบวาจาสงบใจได้ทุกเวลาเหมือนท่านทั้งหลายมีบุญอยู่ขณะ น, นี้ท่านทั้งหลายก็อย่าไปดูที่อื่นนี่ดูลมหายใจของเราก็ได้อ นั่งตัวตรงๆคอตรงๆอย่า ก, ก้มถ้าเราก้มแล้วมันนึกถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาอยากไปทุกข์อยู่เรื่องอดีตเรื่องอดีตจะมันเป็นเรื่องสัญญาสัญญาเก่าถ้าเราไปนึกทุกข์กับเรื่องอดีตอยู่นั่นนะเราไปติดอยู่สัญญาเก่าพระพุทธเจ้าก็ให้เราละสสัญญา ถ้าไม่ละมันก็ทุกข์อย่างที่ว่านี่ยเหมือนพระองคุลิมานเคยตัดนิ้วมือคนเคยฆ่าคนพอมาบวชแล้วอืมเรานึกถึงตอนที่เรายังไม่ได้บวชเราตัดนิ้วมือคนตัดฆ่าคนองคุลีก็คือนิ้วมือ่ะ ให้เชื่ออาจารย์เชื่ออาจารย์ว่าถ้าเธอไต้นิ้วมือมาหนึ่งพันนิ้วนี่เราจะให้วิชาวิเศษก็เลยอยากได้วิชานี้ที่จริงอาจารย์น่าจะหลอกให้ลูกศิษย์ไปให้คนฆ่าเพราะน่ยม ย, ยุให้ลำํำให้รั่วยั่วให้แตกแยกให้ออกโลกอิดช้างเกิดขึ้นใน หมู่คณะลูกศิษย์เห็นคุณนายของอาจารย์เนี่ใช้แต่องคุลิมานใครจหาวันสนิทสนมกันอะไรตนนี้อั น, นั้นไม่จะพูดมันละที่นี้่พูดตรงที่ว่าพราะองคุลิมานเนี่ยบวชมาแล้วก็น้องนึกถึงเรื่องอดิตที่ตัวเองมาพอนึกถึงปุ๊บตามวิบากกรรมนะ <c oughs> เลี้ยกับค้อนบ้าง เปลวมาจากไหนก็ไม่รู้กระทบเนื้อกระทบตัวศีรษะบ้างตำเนื้อตำตัวบ้างเนี่ยก็ก้อนดินบ้างก้อนอิดบ้างแล้วแต่มันจะเปลววัดมานะ่ะทํำให้องค์คุลิมาเนี่ยเจ็บปวดปวดล้าวทรมานะ่ะผลกรรมผพิบิบากพิบบาก ค, คือผลกรรมที่ทําไว้พระพุทธเจ้าก็รู้ว่า ท่านจะได้บรรลุธรรมท่าไม่ช่วยตัว น, นี้คงไม่ได้ไมันจะเกิดทุกขวิทนามากพราพเจ้าทอดไข่พระญาณนะเพ่งแสงปุ๊บไปเลยคุณโยมองคุลิมาลเธอจงคานะและคานะสัญญาเก่าซะคือละเรื่องเก่าๆอย่าเอามา่าเอามาคิดมันไม่เป็นประโยชน์อะไรทุกสิ่งอย่าง ปั่นผ่านแล้วก็แล้วกันไปเหมือนพวกเราเหมือนกันหัดไว้คุณโยมถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเราตั้งแต่เมื่อวานนี่ก็อย่าไปคิดถึงมันเธอว่าจบกันแล้วเราเอาปัจจุบันดีกว่าหรือแม้แต่เรื่องมันเกิดที่เมื่อเช้านี่ก็แล้วแต่สมมุตินะข้นตอนนี้มันกรสายแล้วจบกันแล้วไม่จ้องเอามาคิดนะเรื่องพอใจหรือไม่พอใจแล้วก็แล้วแต่ หรือเมื่อมันเกิดนี่ก่อนที่เราจะพากันมาฟังธรรมนี่ก็ทิ้กมันอ่าอย่าให้มันสั้นเข้ามาเรื่อยๆไอความไม่พอใจเนี่ยจะให้มันยืดยาวไปตัดพวกเราตัดออ ก, ออกนี่นี่คือปฏิบัติธรรมนะโยมให้รู้ปัจจุบันนะอ่าเดี๋ยวนี้ขณะอะไรไม่เกิดขึ้นกับจิตของเราเดี๋ยนี้ต้องให้รู้ โ, โยมคือว่าจิตของเรามันคิดเรื่องอะไรดีจะนี่โยมอย่าไปรู้อย่างอื่นอ่าคอยชำเลืองดูจิตของเราเดี๋ยวนี้นะ ไม่ต้องส่งจิตส่งใจมาหาหลวงพ่อหรือส่งไปหาใครหรอกไม่ต้องเนีย่ยเราพยายามมองลงไปคุณผู้มมันมีจุดอยู่คุณผูมหนึงตรงกลางสมองของเรานึกว่าตอนนี้เราเพ่งเขาไปดูกลางสมองของเราอีกจุดหนึ่งนะจุดหนึ่งอยู่ตรงอุนาโลมตรงสมองเราพอดีพอดีเลยหัวเขี้ยวขึ้นไปสักนิดหนึ่งสักสองนิ้ว ที่ตรงพระพุทธเจ้าทอดไขยพยานตรงนั้นเนี่าถ้ามาข้างหลังก่นเลยติดผมลองไปสักวัดเอาเลยคุณโยมประมาณสี่นิ้วมือเราเนี่ยมันก็จะตรงกลางสมองปริมิสามจุดสามจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้เราสงบโยมลองทำดูเดียวนี้โ ย, ยมก็สงบเดียวนี่ใช้ ความรู้สึกว่าเหมือนเราไปอยู่ตรงกลางสมองเราถ่าสติคุณเรากำหนดอยู่ตรงใ น, นจิตของเราจะอยู่ตรงนั่นทีนี้ท่านยังไม่ให้จิตนี้จะกายถ้าจิตนี้จะกายจิตจะวุ่นวายถ้าจิตอยู่ในกายจิตจะสบาย อ, อันนี้เราปฏิบัติไปด้วยโยมจะเห็นความสงบเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ละไม่ต้องพึนสนใจเรื่องอื่นนะ เดียวเสียงหลวงพ่อพูดเดี๋ยวมันจะไปหาหูของคุณโยมเองอหรือว่าใครอยากจะกําหนดตรงหูก็ได้ตอนเสียงไปกระทบหูเนี่ยธรรมะเกิดเวลามันมีสิ่งอะไรมาสัมผัสสัมผัสตรงไหนก็บธรรมะเกิดตรงนั้นนะ่ะเนี่ยตอนนี้เสียงไปกระทบหูของคุณโยมตัวนี้นธรรมะเกิดอยู่ตรงหูมันเกิดจับเกิดดับแต่หลวงพ่อพูดมันก็เกิดเสียงไปกระทบ พอหลวงพ่อพูดหยุดพูดมันก็ยุดมันดับนี่ยนะก็แม่โลกนี้ไม่แค่ความเกิดดับเท่านี้โยมไปมีอะไรมากไปกว่านี้โลกไม่ใช่ความเกิดดับแค่นี้พอเกิดดับไปเกิดดับมาที่นี่ก็พุทธเ จ, จ่าจนให้องบัดสุญโยว่างเปล่าเจ้าตัวตนคือเป็นของว่างของโปร่งเฉยมองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าที่นี่ ไม่มีอะไรเป็นของใครถึงว่าบางครั้งในโยมเรานั่งอยู่คนเดียวนี่นะถ้าเราดูร่างกายของเราบางบ้าข่าวมาเข่าเหมือนเรานั่งอยู่ในช่องว่างของจักรวาลโลกนี้จักรวาลภายนอกก็ถือว่าจักรวาลแต่จักรวาล น, นี้พระพุทธเจ้าหมายถึงเนี่นะที่ร่างกายของเรานี่เรียกว่าจักรวาลหนึ่ง ทุกท่านเนี่ยเป็นจั ก, กรบาลของตัวเองแล้วเนี่ยแล้วก็นั่งอยู่ในจั ก, กรบาลอยู่ในพวกช่องโปง่งช่องบ้างหายใจเบาๆสักนิดก่อน บางท่านจะอาจจะกำหนดสภาวะได้ตอนนี้สภาวะหมายถึงบาสิ่งที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนี้เวลานี้ถ้าใครอยากเห็นชัดเจนก็มองลงไปตรงกลางหนะ้าอกนะพีโยมนะเหมือนเราส่องลงไปเหมือนพริกตาลงเาส่องลงไปที่ท่านที่จริงไม่ใช่หรอกคือเอาความรู้สึกกันโยมเป็นตัวดู ความรู้สึกของเราเป็นตัวดูความรู้สึกนั่คือสติหยมภาษาพุทธเจ้าว่าให้กำหนดไปคำว่ากำหนดก็คือสตินะกำหนดถ้ากำหนดตรงทำให้สบายๆนะจะไปเกรงนะยยมจะไปเกรงตัวจะไปวุ่นวายอะไร น, นั่งลองนั่งปุ๊โป่งดู ร่างกายให้ตรงๆมันจะเห็นไหวอยูมันจะวุบว <oo> ุบวบเพราะหัวใจของเรามันสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายอยู่มันเป็นธรรมชาติของมันไม่มีใครไปบอกมันหรอกมันหลบหัวใจของเราก็ไม่มีใครไปบอกมันเ <c oughs> นี่ยร่างกายของเราจึงเป็นธรรมชาติอันหนึง่งเทพมันกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคือกฎของธรรมชาติ เราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติถ้าบรรยุดเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็มันก็ตายเหมือนกันแหละคนเราอย่างถ้าหยุดลมหายใจดูสิไม่หายใจเข้าถ้าบรรยุดเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้ตายแล้วชีวิตของเราอยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงเหมือนนาฬิกาของเราเนี่ยเมื่อมันมีแบตเตอรี่อยู่มันก็ต้องเดินดำของมันอย่างเงี้ยหมดแบตเตอรี่เมื่อไหร่มันก็หยุด ชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นแหลแล้วก็ธรรมชาติอีกนหนึ่งที่เนี่ยไม่มีใครบอกไม่มีใครกล่าวอย่างพระอาทิตย์เนี่ยถึงเวลาหมุนก็หมุนไปะ่ะเดี๋ยวนี้ทางยุโรปเนี่ยจะมืดลนะ้วก็โยมเนี่ยตอนนี้ประมาณห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนนะช่วงนี้ทางยุโรปนทางนร์เวย์เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณเกือบเดือนหนึ่งนะ ไม่มีกลางคืนมีแต่กลางวันทัานพ่อไปพิสูจน์มาแล้วที่พูดให้ฟังนี่นโลกนี้คือมันหมุนของมันอยู่อย่างนี้โยมไม่มีใครบอกเพราะนั่จะพูดเรื่องว่ากายของเราเป็นจั ก, กรวาลอันหนึ่งก็ได้หรือว่าเป็นโลกอันหนึ่งก็ได้มันหมุนของมันอยู่อย่างนั้นกลางวันไม่มีใครไปบอกแต่ธรรมชาติก็มันเป็นอยู่อย่างนี้โยมดูที่เครื่องในของเรานี่ มีใครไปบอกหายใจเข้าออหายใจออกมีใครไปบอกสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายทุกสิ่งอย่างในกายของเราเดี๋ยวนี้เขาทํางานตามหน้าที่ของเขานี่คือกฎธรรมชาติเดี๋ยวนี้โยมปฏิบัติทำให้ดูความเป็นจริงของธรรมชาติถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้นะ่ะคุณโยมเดี๋ยวนี้แต่ต่อไปโยมจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยต่อโยมเลย แล้วโยมจะไม่โทษอะไรใครเลยเทีนี้ไม่โทษอะไรทุกสิ่งอย่างแม้แต่สังบัสสิ่งแวดล้อมโยมก็ไม่ไม่โทษมันกิเลสตันาก็ไม่โทษมันกิเลสตัหาก็ไม่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเทพบุธรจาว่าอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นตันหาคือความรู้สึกมันไม่เท่ากันมีบุรุษคนหนึ่งเดินทางในถิ่นทุลกันดานแดดจัดมาก ร้อนมากและก็เหนื่อยมากบางเ อ, อิญมีต้นมะพร้าวต้นหนึ่งอยู่กลางทุ่งแกบุรุษคนนี้เป็นคนชํานาญในการดูมะพร้าวมะพร้าวขายนะมันอ่อนแค่ไหนมันแก่แค่ไหนเขาก็รู้น้ําบาดน้นําเปรี้ยวเขาก็รู้บุรุษคนนี้ก็เลยเออเราหิวน้ํามากเลยตอนนี้ถ้าอะไรได้ดื่มน้ํามะพร้าวนี่เราคงจะหายหิว แล้วกับสานานบะเออรเนี่ยมาพร้าวนกําลังน้ําบานนี่ตอนนี้เขาเขาอยากกินเอยากกินน้ํามะพร้าวก็เดินอ้อมต้นมะพร้าวอยู่โยมพยายามที่จะเอามันทนไม่ไหวทีนี่กระโดดขึ้นไปเลยทีนี่ขึ้นต้นมะพร้าวไปเอามะพร้าวมามามากินเลยทินี้ตอนที่มันเดินอยู่ต้นอ้อมต้นมะพร้าวต้นพิจนาจองอยู่นี่อุบ ป, ประมาเหมือนกีเลศ แต่มันทนไม่ไหวเต็เหมือนตัณหาที่มันกระโดดขึ้นไปเลยถ้าเยะาะทะยานขึ้นไปนะ่ยนี่ท่านอุปมาไวปพระพุทธเจ้าละเอียดมากโยมท่านเป็นผู้อยู่เหนือโลกจริงๆพระพุทธเจ้าของเราไม่มีอะไรจะสูงเท่ากับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณโยมบางัางโยมถ้าลองเช็คเราว่าจิตของเรามันตกต่ตําตอนนี้มันมนุมน่นคุ่นคิดอยู่แต่เรื่องกรรมว่าคุณในลูกในเสียงใ น, ในกนในลิก่นในรสในการสัมผัสถูกต้อง มันหรือมันหมกมุนอยู่ตับกิเลสตนานี่ถือว่าจิตของเรามันอยู่ต่ําที่ต่ําด้วยนี่เห็นมันตึงเศร้ามองจิตของเราตึงเศร้ามองถ้าขณะใดาพวอ ก, กิเลสตนะมันครอบงําใจเราแล้วก็ยกจิตของเราขึ้นมาทั้งสมัยใดควรยกต้องยกหลวงพ่อเห็นอ่าชมลมของเรานี่ก้าวไปไกลมากแล้วตอนนี้ สังเกตุสนทนาทํากับโยมเมื่อเช้าเนี่รู้สึกว่าเออมิจะคนเรื่องพูดเรื่องปฏิบัติทำกันส่วนมากการจะแสดงว่าเออสมรมของเราเนี่ยก้าวไปไกลแล้วตอนนี้เลยไม่อยากพูดอย่างอื่นโยมพูดอย่างอื่นพูดอย่างไหก็ได้หรอกไม่อยากจะพูดว่าให้โยมรู้จักวิธีว่าเราจะทํำยังไงทำให้จิตของเราสงบตอนนี้ มันสงบปันก็พ้นทุกข์ตอนไหนและคนแล้วแต่ให้มันพ้นไปที่ละเปาะละเปาะละเปาะโจมําไปเรื่อยๆย่อมไม่ต้องไปตั้งอะไรไปมากหรอกตั้งเชียงแต่บัตรเราจะพยายามดูจิตของเราอะไรเกิดขึ้นกับจิตขณะ น, นี้อะไรเกิดขึ้นกับใจของเราถ้ารู้ว่าเอออะไรเกิดขึ้นแล้วก็รู้ซะพอรู้แล้วเี่มันจะดับที่นี้แต่ที่มันไม่ดับนั่นมันไม่รู้ที่ดับแล้วเลื่องอื่นก็เกิดอีกเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ โยมอย่าไปเสียใจอย่าไปวุ่นไบรกบเขาหน้าที่เอายานของเราเนี่ยยานนี่คุณโยมแปลว่าตัวรู้แจ้งส่องดูเหมือนโยมอยู่ในที่สูงสูงน ะ, ะเห็นคนเดินผ่านไปเปิดมาหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าไปเดินกับเขาแต่ไปนั่งอยู่บนเขาถ้าน้ําไหลก็อย่าไปไหลกับเขาอย่างนี้นะเหมือนพระพุทธเจ้าให้ดูพยับแดดแดดจัดๆนะโยมยิบยับยิบยับยิบยับยิ บ, ย บ, ย บ, ยบนะ สังเกตดูถ้าเวลาแดดจะจัดยมจะเห็นพายับแดดก็เรียกพยับแดดชีวิตของเราเหมือนพายับแดดเกิดดับเกิดดับอยู่ที่นะี้แต่จะยมเดินไปใกล้ๆเห็นมันไหยตัวพยับแดดเห็นมันห้หมมันก็ไม่เห็นมันเป็นแค่มัญญาเท่านั้นนะเหมือนฝนจะตกยมเห็นสายลุ่งเนี่ยยมไปจับสายลุ่งได้ไหม ยกขึ้นจับไม่ได้ก็เป็นแค่มัญญาทอนนั้นนะชีวิตของเราเป็นเพียงแค่มัญญาทอนนั้นไม่มีอะไรจริงจังไม่มีอะไรจริงจังเลยคุณโยมเป็นแค่มัญญาพวกเรานี่ถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมมันจึงหลงมัญญาของสังขารเราทุกข์อย่ทีนี่เพราะมันไม่รู้จริงนะเราเลยมาหลงมัญยาไปอยู่ทีนี่ลองนั่งดูที่กุณโยทั้งกำหนดรู้ไปเรื่อย ไม่จ้องคิดว่าเมเมยเลยมันจะสงบมาจ้องพูดเหมือนยมขึ้นบันไดน่ะหน้าที่ดูขั้นที่เราจะเหยียบเนี่ยอย่ามันพลาดนะน่ะมันจะกี่ขั้นกับช่างมันอย่ามันก็ถึงเองมันขึ้นไปเรื่อยๆนี่เรากำหนดจิตมันการยมอย่าไปจเองเมื่อะเเมมันจะสงบไม่ต้องไปพูดมันยมดูไปดูไปจางคนก็มีทุกคนน่ะธรรมะอยู่ในตัวของยอมตัวตัวคุณยมเนี่ยคือธรรมะขณะที่เราทำถูกต้องน่ะนะคุณยม เราจะเห็นว่าเออจิตมันไม่ไปไหนเลยตอนนี้เรื่องการเรื่องงานกระทืบมันไม่ควจะเอามายุ่งมันจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้คอยนั่งดูสงบนูยในปัจจุบันโยมอย่างนั้นพ่อวางให้มองกลับลงไปตรงกลางทรงอกเราก็ได้เห็นว่าพอเรามองลงไปตรงนั้นแล้วนี่เราจะเห็นว่าร่างกายของเราบางท่านอาจจะย์ผู้ผู้ขุทั้งตัวนะตอนนี้ ว่าว่าว่าว่าวาทั้งตัวนี้นั่นแหละสภาวะคนโยยสภาวะหมายถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เ้าก็กำหนดดูแค่นั้นนะไม่ต้องไปคิดว่าดูแล้วมีประโยชน์อะไรไม่ต้องหรอกเดี๋ยวโยมจะเห็นทีหลังตั้งที่กล่าวว่าเหมือนโยมขึ้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วพอบรนสุดบรรไดแล้กวก็ถึงเข้าไปถึงที่นอนที่พักของเราหรอกอันนี้ก็เหมือนกันโยมกับกําหนดไปกําหนดไปกําหนดไปเมื่อเราทําได้แล้วที่มันเป็นออโตเมติกมันมาใช่เรื่องของเราที่เป็นเรื่องของธรรมะธรรมะคือเราทําที่ถูกต้องแล้วธรรมะจะจัดสรรใจของคุณโยมเองเลยโยมจะแบาเออจริงเว้ย มือชาวนี่เขาบุญบายจะมุนกันอนะ่แม้แต่ตอนเที่ยงเที่ยงแล้วกินข้าวกาจิตพมันยังบุญวาบุญบายตอนเข้ามานั่งมันแบบใหม่ใหม่ก็รู้สะจิตมันบุนว่าเออตอนนี้เราฟังไปด้วยเราทาไปด้วยรู้สึกว่าเออจิตของเราสบายไปตอนนี้เหมือนเราไปได้รับภาระอะไรสักอย่างมันโปร่งมันสบายจิตของเราเป็นอิสระรู้อยู่ในแต่ค่าปัจจุบันนี้ สติการู้ปัจจุบันเอาสติไปกำหนดดูจิตจิตเป็นธาตุรับรู้ทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่รับรู้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนคุณโยมอาจจะคิดเป็นบางครั้งอ่ะออทุกอย่างข้ารู้หมดแต่ข้าอดไม่ได้นะี่มอนกันรู้อยู่ที่เราอดไม่ได้เพราะมันไม่มีกําลัง สติพละกําลังของสติไม่มีสติเป็นธาตุอีกอันหนึ่งเรียกว่ารีโมทนะโยมเห็นไหมทีวีเราไม่ต้องเดินไปก็ได้โยมกดรีโมทที่นี่เพราะรีโมทนี่มันมีบางท่านร่ํารวยอยู่ที่นี่นะไปไม่ต้องลงไปเปิดประตูก็ได้กดรีโมทอยในรถนี่แหละมันจะเปิดให้เองเพราะรีโมทมันมีกําลังกว่า แม่เหล็กลึกของอยู่ที่โน่นทีนี่สันใดคุณยอมที่เราปฏิบัติอยู่เดนี่คือเรากําหนดผู้รู้รู้น่ะคือสติยอมขณะใดเราไม่รู้จิตของเราจะไปตามอารมณ์ขณะนั้นเราไม่ได้ปฏิบัติตัวเราของเราเลยนี่ยเม่ได้ปฏิบัติตัวเราให้เป็นธรรมเนี่ยมันก็ถึงวุ่นวายที่นี่อ่านะเพราะนั้นเราเมื่อเรา ขณะใดเรามีสติไม่ว่าคุณโยมจะเดินไปเดินมาหรือโยมทำอะไรอยู่นั้นโยมกำลังปฏิบัติธรรมเพราะขณะใดาที่เรามีสติที่ในจิตของเรามันจะไม่ไหลไปตามอารมณ์พูดง่ายเธอมันรู้อยู่ในขณะที่คุณโยมกำลังทำอะไรอยู่ขณะ น, นี้กายเคลื่อนไหวใจรู้สึกนึกคิดเรื่องอะไรรู้ตรงนี้เอาเนื้อเื่องในโยมนะเอาเนื้อเนือมันเห็นโยมตั้งใจปฏิบัติจันรนะ อยากจะชี้บอกว่าเอาเนื้อเนื้อมันกําหนดที่อาการที่เรากำหนดตรงไปนั่นเพียงแค่เอาเป็นหลักใจไว้คือมาให้มันนีไปอยู่กับที่อื่นนีไปอยู่ที่อื่นมันมั น, มนทุกข์นะถ้ามันอยู่กับกายของเราไม่ทุกข์จอมถ้าท่านใดดูลมหายใจนะลมหายใจนจะเป็นรูปจมอาจจะเห็นว่าเอ๊ะรูปมันจอมองเห็นสิมันเห็นด้วยญาณ ตาเนื้อเราไม่เห็นนะ่ะแต่ถ้าท่านใดทีด่นี่ปฏิบัติไปสักพักถึงบางทีโยมจะเห็นว่าเออพอจิตมันสงบลงนะโยมจะเห็นลมหายใจเหมือนฟันบุหรี่โยมมันจะไหลไปได้จมูกของเรานะไหลลงไปนวที่สุดมันอยู่ที่สะดือของเรานะพอเราหายใจออกมันเหมือนฟันบุหรีน่นะคุณโยมขาว ไหลเอาผ่าหายใจเข้าไหลเข้าหายใจออกไล้วบอกนั่นนะคือจิตมันสงบมันจะเห็นลมหายใจเข้าออกแต่เราดูทิ้งกีเนี่ยเอ๊ะลมหายใจมันก็ไม่เห็นนี่ใช่พอเรายังวุ่นวายอยู่ตอนนี้เรานั่งให้สงบต่อไปนะคุณโยมนะทุกวันทุกวันโยมนั่งบ่อยๆไม่จําเป็นหรอกโยมที่ว่าจะต้องไปเดินนั่นชั่วโมงนั่งนู่นนั่นชั่วโมงหรือนั่ ง, ง, ง, งที่นั่นไหลายๆชั่วโมงชั่วโมง ไม่ต้องจําเป็นก็ได้เพราะเราทํางานทํามากินโยมปฏิบัติในขณะที่โยมกําลังทํางานอยู่นั่นแหละกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกนึกคิดอะไรเราลูกของเราเนี่ยถ้าเราดูมันต้องรู้ถ้าเราไม่ดูมันก็ไม่รู้อันนี้ฟังไว้นาะโยมนะเราจดจําไปทําดูโยมหัดดูตัวเองบ่อยๆวันหนึง่งใช้สติใช้ปัญญามากๆวันหนึ่งวันหนึ่งโยมจะเห็นตัวเองทีนี้ เราเห็นตัวเองเรายอมจะรู้ว่าเออะไรมันเกิดขึ้นกับเราเดือนนี้แล้วยอมจะดับมันได้ไอ้ที่เราดับมันไม่ได้เพราะเราไม่เห็นมันไม่เห็นมันเพราะเราไม่ดูดูจึงจะเห็นทำจึงจะเป็นไปจึงจะถึงไปให้สุดขุดให้ถึงหมายควว่าทำแล้วมันยังไม่สงบเพราะเราไปยังไม่ถึงมันเราทายังไม่ถึงมัน วันหนึ่งมันต้องสงบแน่นอนหลวงพ่อรับประกันได้เลยอ่าเหมือนกับเราปฏิบัติอยู่บ้านเราไหว้พระเสร็จแล้วคำนั่งพระเอเบทนั่งให้ดูที่รูจมูกของเราดูลมหายใจลูพุโทโธมีโยมท่านหนึ่งอเอ๋หลวงพ่อเดินไปแล้วทําไมมันบุปบป่าปูปา่าคงเคง้งกายของเราเนี่ยหลวงพ่อก็ถามเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ที่นี่ละโยมผู้หญิงท่านหนึ่ง แต่เราก็ยอมเวลาเดินจะากรมยอมไปดูตรงไหนป่ะดูหน้าอกง่าไม่ใช่แล้วจ้ะเนี่ยดูผิดที่มันเก่าไม่ถูกที่คันไม่หายคันเนี่ยกินยาไม่ถูกโรคมันก็ไม่หายโรคอ่าปวดหัวจะไปกินยาท่ายเนี่ยยาระบายมันจะไปหายเหรอือ่ามันต้องกินพาราซาตัมอ น, นเลยพาราซาตัมอนเขาสร้างมาเพื่อดับความปวดหัวจะใส่ลงไปสอ ง, สองนาทีสามนาที โอ้หายแล้วเว้ยปวดหัวหายแล้วนี่กินยาถูกโรคเกาถูกที่คันมันคันข้างหน้าแล้วไปเกาข้างหลังมันจะหายเหรอมันคันที่ไหนแล้วตุกเกาที่นั่นอันนี้ก็เช่นเดียวกันยบเวลาเราเดินกายเคลื่อนไหวว่าให้ดูที่เท้าดูที่เท้าถ้าเรารู้เฉยๆยังไม่เข้าใจแล้วก็บรคำซะเิยขวาบพุทสายโทวขวาบพุทสาโทขวาบพุทสายโ ท, ยโ ท, ยโทไปอ่า ข้ามถนนน้นทางรถก็ไม่ชนถ้าเรามีพุทโธนะที่รถชนมันจะเลาะจะลาบไปไหนก็ไม่รู้มันไม่มีสตินะกยายเดินจุดถนนใจมันไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เนี่เน่เหมือนขับรถเนะี่ยพอเพื่อแป๊บเดี๋ยวรู้กระชั้นแล้วเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะมันจึงอยู่ที่ว่าเรามีสติย้อมถ้าไม่มีสติเราจะพุโทโธได้ไงเวลาเดินจงกรมจึงเราสติไว้ที่ใต้ฝ่าเ ท, ท้าของเรานะหรือห้านิ้วเท้า ยกขึ้นออกพูดพร้อมด้วยเสือกเท้าไปโทให้เท้าลงพอดีพอดีอดูสิยมทำสักสามสิบนาทียมก็สงบแล้วไม่ต้องนานน อ, อกยมอันนี้เวลาเย่อยที่บ้านเราเดินอยู่ในบ้านเราก็ได้เดินสั้นๆไม่ไม่ต้องเดินช่วงไกลหรอกสมมตนินะเราจะบริหารจิตของเราที่นี่ทีนี่เราก็ เวลานั่งให้ดูลมหายใจที่เริ่มต้นถ้าใครปฏิบัติมานานนะให้ดูตรงุกลางซองอกนะโยมถ้าดูกลางซองอกตรนั้นศูนย์สร้างปัญญาเนี่ยมันจะค้นกรรมขึ้นมาโยมให้เราลบแล้วค่อยจำกรรมาอะไรไว้ต่อไปนี่โยมเหมือนฉายหนังเลยเพราะชีวิตของเราผ่านรอดผ่านหนาวมาตั้งนานแล้วทํากรรมมันไม่รู้ว่ากี่พกี่ชาติเราไม่ดูมันที่ทุกภพชาติวันนี้หลวงพ่อจะสอนให้โยมดูกรรมของโยมเอง มันจ้องไปให้ใครมาดูกรรมเเลรแล้วหลอกเราได้ดูกรรมแล้วโยมนั่งดูนะทุกวันทุกวันแล้วโยมจะเห็นแบบปรากฏขึ้นสักวันหนึ่งโยมส ะ, ส, ะสมแต้มขึ้นไปเรื่อยๆก่อนสะสมคะแนนให้ตัวเองไปเรื่อยๆก่อนเมื่อสติมันค่อยสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์รณปรเมีจึงมาการสะสมเรียกว่าปรเมีเนี่ยเมื่อเราดูลมห า, ายใจถ้าดาาูลมหายใจจะเห็นกัโยม เรนหายใจมาเนี่ยมันหลวงพ่อพูดมาเนี่ยมันครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนี่โยมจะได้กี่ครั้งแล้วเอานี่โยมนะถ้าโยมอยากจะรู้ว่าชั่วโมงหนึ่งเราหายใจเข้ากี่ครั้งไม่มีใครตอบได้หรอกพอยังไม่ได้ดูต่อไปอาจจะตอบได้ชั่วโมงหนึ่งมันจะได้หนึ่งพันครั้งพอดีหายใจเข้าออกอันนี้หายใจแบบสงบนะ อยากจงกงพายใจเข้ามันจะพอดีให้ออกจะพอดีถ้าเราคิดมันจะหายใจไวอยู่เมือนจะโกรธกันนะอยากเข้าไปใกล้มันนะบากสันตาปากสันขึ้นมามือสันอยากเข้าไปใกล้นะมันจะโดนลูกกระปั้นเขานะะมันมันมีอารมณ์มันจะหายใจไวเมื่อหายใจไวๆอย่างอาราิปัญญาไม่เกิดอ่ะทีเด็ดมันเข้าครอบงําใจของเรา เพราะนันเวลาเราหัวใจใยๆนี่คุณยมปัญญาไม่เกิดมันความโกรธร้อมโกรธขึ้นมาปัญญาไม่เกิดเลยมันยังตีกันได้ชกกันได้น่ะฆ่าฟันกันได้น่ะเห็นไหมผู้ชายอกสามสอบยังไงให้ผู้หญิงนะผู้หญิงกี่สอบก็ไม่รู้เนาะเอาเม็ดฟันหัวกันแบะบนตันที่เมืองแพร่ที่โอ้ยทั่วไปแหละผู้หญิงข่าผู้ชายจะเนี่ยผู้ชายฆ่าผู้หญิงเนี่ยเพราะมันโกรธปัญญาไม่เกิดมันจึงทํากันได้ยอม ถ้าปัญญาเกิดมันจะไปทำกันได้ทำไมเอ้ยเขา ก, กลัวเจ็บแล้วกลัวเจ็บเหมือนกันต่างคนต่างอยู่สบายดีไม่เบียดเบียนกันทำไมถ้าปัญญาเกิดนะถ้าปัญญาไม่เกิดจะโอ้มันเห็นคนไม่ใช่คนนู้นพราะนั้นเวลามันใจร้อนนะคุณผู้ชมหายใจลึกๆถ้าเวลามันโกรธนะเฮ็ดนั่นแนหะเวลาเนะี่ยถ้าหายใจออกความโกรธมันกำลังร้อนๆมันวุ่นวายในหะัวใจมันก็พุ่งออกมา อ้าวมันยังมาหยุดเรงหายใจอีกยาวๆอีกเาเราจะตีลูกเราเนเะ่รพอเราหายใจไปยำ้ำ <c oughs> หายพ้นออกมานะ่ะเกือบแม่ตีเธอแล้วนะเมื่อกี้ถ้าไม่หายใจยาวตีแล้วถึงหายใจไปยาวสติมันกลับมาทีจิตมันก็จะหยุดหรือบางครั้งเราบอกมันเหยยอมอีก3มชั่วโมงค่อยโกรธนะ ถ้ามันไม่พอใจขึ้นมาอีกสามชั่วโมงนะั้นค่อยไม่พอใจมันค่อยโกรธมันนะถ้าสองชั่วโมงไม่หยุดเอาอีกไม่อีกอันนี้กุสโลบายใช่แล้วเอาอย่างไงก็แล้วแต่ที่นี่คุณโอมวันนี้เรามาพูดกันในแนวที่เราจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นโยมกลับมาดูตัวเองวันหนึ่งให้คุณโยมดูตัวเองสักเก้าสิบเปอรเซ็นต์นั้นก็ดูสิ่งอื่นบั่ง แต่ดูให้ดูเป็นธรรมะเป็นธรรมโมดูความเคลื่อนไหวของเขาดูการกระทำอะไรของเขาทุกอย่างบางทีมันจะเกิดความสงสารโอ้โนี่เขามีอารมณ์เนาะบางทีเขาว่ากันบ้างเขาพูดกระโชกหอกหากบ้างสแสดงปฏิริยาอาการใส่กันบ้างเนี่ยโอ้สงสารเขาตอนนี้เขาไม่มีสติเขาไม่น่าจะทำอย่างนั้นเลยสงสารเขากําลังทุกข์นี่มันจะเกิดความสงสารกันนะปฏิบัติธรรมต้องมีเมตตาธรรมโยม ถ้าขมดเมตตาทำนะ่ะเหมือนแก้วคนดีนะโยมแก้วคนดีถ้าเราถามเทน้ำใสมันก็ขังน้ำได้นานโยมประเทศน้ำจะแก้วคนรั่วดูสิมันก็อยู่ได้แปบบ๊เดี๋ยวก็หายแล้วผมันรั่วหมดแล้วเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมถ้าขาดเมตตาทรงธรรมไมอยู่เลยทรงธรรมไมอยู่ในตัวของเรา ปฏิบัติอันนีด้เดียวเนี่ยถ้าเราทรงทำไม่โยก็ได้อนนีดเดียวเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้นะยำ้ยำๆกันอีกว่าคณะใดยมมีผู้รู้อยู่ในตัวของคุณโยมโยมกําลังปฏิบัติอยู่โยมจะดืมตาหรือวิ่งอยู่กับ็แ ล, แล้วแต่อาบน้ําอาบท่าแปรงปันล้างหน้าล้างตาอยู่ก็แล้วแต่เราต้องฝึกจิตของเราโยมถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยมันก็มีความทุกข์ จิตที่ฝึกดีแล้วท่านั้นจึงจะนําความสุขมาให้กับเราพระพุทธเจ้าของเราตรัสไปถนะ้ะเราปฏิบัติทำเท่านั้นเราจึงจะรู้ทำเห็นทำคําสอนพุทธเจ้าดีขนาดไหนถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคําสอนนั้นก็ไร้ค่าเหมือนใครจะพูดดีขนาดไหนถ้าเราไม่เอาไปปฏิบัติคําพูดนั้นก็ไร้ค่าเหมือนดอกไม้งามอยู่แต่มันไร้กิน มันจะมีคุณค่าน้อยคําพูดจะมีคุณค่ากับเราเพราะเราต้องปฏิบัติตามคํำพูดตามคันสอนนั้นนี่นะมันจึงจะได้นะขุนโยมนะเหมือนเรามีกายแล้วต้องใช้กายของเราให้เป็นประโยชน์หลวงพ่อท่านได้พูดกับท่านหัวนานหรือท่านรองเนี่ยนะท่านไปถวายอาหารได้คุยกันนิดนิดแน่ น, นอยหลวงพ่อหลวงบอกว่าไม่ต้องปฏิบัติตามดอกคุณโยม ก็ทำท่านดีแล้วแต่เรามาปฏิบัติกายของเราปฏิบัติใจของเราให้เป็นธรรมศีลก็ไม่ต้องรักษาก็ได้เพอศีลท่านดีแล้วี่รักษาท่านทำไมท่านไปไปไหนหรอกเราเนี่ยมารักษาตัวองเราให้เป็นศีลเป็นธรรมเมื่อเราเข้าใจในเรื่องนิยมเทนี้กิเลสตั้นหาแล้วไม่พิษมีแัยกับเราเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปยุ่งกับเขา กิเลสฉันหาเนี่ยเหมือนไฟน่ะโยมพระพุทธยาอุปมาไว้ถ้าเราไมาไปจับไฟไฟไหมเราไหมล่ะมันจะร้อนขนาดไหนก็ชักมันไปลาไหรเราอย่าไปจับไฟสิบนกิลเลสฉันหาไมีพิษไม่ภัยขนาดไหนถ้าหากเราไม่ไปเอามันมาเป็นของเรามันจะมีประโยชน์อะไรกับเราล่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยโยมทางคนทางอยู่เรื่องของเขาก็เรื่องมันจะร้อนก็ร้อนไปสิของเขานะ่ะ แยกไปเอามาไว้ก yes, ับเราสิเราจะไปร้อนทาไมสิที่มันร้อนเพราะเราไปเอาเขามาเป็นของเราเ่เมื่อขณะใดคุณยอมมีอัศมิมาะสําคัญตัวเองว่ามีเรามีเขาเมื่อนั้นมันทุกเมื่อนั้นนั่นที่จริงเราเขาไม่มีแต่เราไปหลงเราไม่รู้เราไม่รู้แต่เห็นไหยถ้าจิตของเรายังมีหญิงมีชายอยู่มันจึงวุ่นวาย ถ้านักปฏิบัติพระท่านยิ่งไม่มียิ้งไม่มีชายโยเป็นเพียงแค่รูปกับนามเมื่เป็นเพียงแค่ถ้าเสดินน้ำลงไฟเหมือนกันหมดเพราะนั้นเราเข้าใจอย่างนี้แล้วผู้มจะเข้าใจไป็นมากมากเออถ้าจะว่าเขาก็เหมือนว่าเรานะ่ะเพราะเขาก็เหมือนกันถ้าจะโกรธเขาก็เหมือนโกรธเราเนี่ยเพราะเรากับเขาก็เหมือนกันเนียมันเดียวกันนะอ่ะมันจะกระจายไปแล้วธรรมแตกฉันเนีท่ทีนี้โยเลยป่ะเอไปอยากทําำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยเว้ พอทำกับเขาก็เหมือนทำกับเราจริงไหมโยมว่าไม่ขีดเน่ยคุณโยมมันจะไปไหมอย่างอื่นก่อนมันไม่หวอนก่อนไหมเนีใช่มโยมเคยก่อไฟตั้งนั้นเนี่ยนั่งอยู่นี่คนมันจะไปเผาอย่างอื่นได้มันต้องเผาหัวมันก่อนก่อนคนเราเหมือนกันคุณโยมมันจะไปว่าคนอื่นได้ทีจริงมันว่าตัวเองก่อนแล้วแต่เราไม่เข้าใจ เพราะจิตของเราไม่สงบเพรามเข้าใจปุ๊บช่างมันเถอะเนี่ยเมื่อคุณโยมท่านหนึ่งคุยกันลูกสิทธิเก่านี่โผมถ้านบอเออหลวงพ่อมันสั้นลงมานย่าชาย่ตอบแต่ก่อนโยมโกรธกันน่ข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีแต่ถ้าโยมมีสติผู้รู้อยู่บ่อยๆมันจะสั้นเข้ามาวันเดียวูบวาบอะช่างมันเถอะแล้วไป จะไปคิดเรื่องที่มันดีกว่านี้ดีกว่ามันโยมเถียงกันนะมันได้ประโยชน์แหละเหนื่อยก็นเหนื่อยใช่ไหมถ้าโยมเพ้อทางคางนตจำหน้าที่ของใครก็ทำไปใช่ไหมทำงานตจำหน้าที่เหมือนโยมเนี่ยตื่นขึ้นมาทุกคนต้องทํางานตจำหน้าที่กายของเราเนี่ยมันทตามหน้าที่มันโยมมันมีการเคลื่อนไหวมันมีการพักผ่อนของมันเห็นไหมข้าราชการเนี่ย พักเที่ยงนะอะท่านรู้ต้องให้พักบ้างถ้าทําตลอดไปเนะี่ยเจ้าแรงที่ไหนมาทําม่ยอมสีม่โมงเลิกไปพักผ่อนแต่โยมพักผ่อนแต่กายแต่ใจไม่ได้ย่อนท่านยงังว่าให้พักผ่อนย่อนใจบางคนพักผ่อนแต่กายเออกายไม่ได้ทํางาน แ, แต่ว่าใจมันตรึงเครียดแค่นี้ต่ไม่ได้ย่อนใจ เรียว่าพักผ่อนย่อนใจกลับไปบ้านด้วยช่างบันเทิงที่เราทํางานยังไม่เสร็จล็อกมันไว้ก่อนล็อกไว้กูจแจนไว้พวกนี้เขาเจอกันยอมไปบ้านทำ ง, งานอะไรยมมีความสุขกับบ้านเยอะเลยอมทําอะไรทุกอย่างแ่ะมันมีความสุขหมดจมทัรรู้หน้าที่ของเราแค่นั้นไม่มีปัญหาอะไรจึงบอกว่าอย่าไปเอาของรอดมาเป็นของเราถ้าเอาเพื่อนก็มาเป็นของเราเหมือนอย่างนีย้ยอม จะไปคิดมันเรื่องไอโควิดโควิดมั้งนะทัางราักถ้าเราคิดถึงมันมันก็อยู่กันบเราถ้าเราไม่รู้กันมันก็ไม่เ็มาหาเรายกตัวอย่างโยมเป็นอาจารย์ด้วยนะลกูกศิษย์ลุมค่อเ น, นี่ยเอ๊ะทําไมทําไมนะอาจารย์ปานมันเหี่ยวแห้งลงมันเป็นอะไรไปป่วยเรื่องอะไรนี่จะยินข่าวว่าโควิดจะเข้ามาป่วยก่อนแล้วกินไม่ได้น้องไม่หลับ อ้วนโ น, นสมบุนเหียหเห่ยวลงเอย่าลงแห้งลงหน้าตาก่โอ้อย่างกะคนแปดสิบอะมิตรกาเหยียบหน้าเต็มหมดแล้วทาก็แป้งกับหมดหนะเป็นกระป๋องนู่นมั้งแต่ก่อนทากสิบนาทีนะทาแป้งแต่งตัวเยอะนี่คงจะเป็นครึ่งชั่วโมงต้องชาบก่อนมันล่องมันเยอะเนาะเห็นไหมตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวท่านี่เดียวก็เต็มแล้วตอนแก่มาดูสิจ้ะแต่งตัวเป็นครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เต็มนะ ตงประชามันก่อนมันร่องมันเยอะเอาไม่เป็นไรหรอกอันนี้เป็นคุณโยมอย่าไปป่วยก่อนใครอย่าไปป่วยก่อนใครมันยังไม่มา จ, จะไปคิดถึงมันอยู่หลวงพ่อเข้าฉันน้ําบินเขาก็ต้องให้หลวงพ่อปิดเหมือนโยมเนี่ยไม่ปิดก็ไม่เข้าผิดระเบียบเขายิ่งให้ใจยากใจจ่ายให้ผู้ผู้ก่อนเนี่ยอันนี้มันมันเป็นไอมาถูกก็เบนตาแล้วเนี่ยมองก็ไม่ชัด แต่ก็ต้องทำทำและะเบียกไม่เป็นไรแต่ความจริงเราจะไปคิดถึงมันยอมรักษาสินห้าภาวนาพุทธโธสวดอิธิพิสูเก้าจบสบักขาโตหกจบสุปฏิปนุเก้าจบโยมจะไม่มีปัญหาชีวิตอะไรจะไปสูงเท่ากับคุณพระรัตนตรัยอะไรไปสูงจะทำมะนี่แหละเมื่อเรา คนอิปิโสคุณยมกันลองอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่า ค, คุยมกันดังรู้แต่รู้ใจว่าอะไรไม่เกิดขึ้นกับใจนั้นนะ้นยมแล้วยมอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่าเสียใจอยู่ว่าเราไม่เห็นพระบรารกายของพระองค์พระบรารกายของพระองค์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทักษิดินน้ำลมไฟมันพวกเราหลวงพ่อพระพระพุทธเจ้าก็เอาไปนิพพานไม่ได้เขาเหมือนกันพวกเรานั่นแหละเขไม่แค่ดินน้ําลมไฟ พระพุทธเจ้าจึงว่าโทโยธรรมังปัสะติโซธรรมังนปะสะัสเตหลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษิตว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นรัตถาคตถ้าผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นรัตถาคตแม้จะจับชายกีบอนเอาไปคนนั้นก็ยังไม่เห็นรัตถาคตนี่พระพุทธเจ้าอัปปะฮิอัปเปหิพระวักกลิขึ้นไล่พระวักคลิหนีตอนจำเป็นกาบาทก็โอ้พระพุะทธเจ้าแสดงธรรมแทนที่จะฟังธรรม ไปไปชมนะสมโภยทาไมพระพุทธเจ้าผิวพรรณงามทั้งเนาะเป็นทองทั้งองค์เลยโอ้ยทําไมพระพุทธเจ้าพูดเพราะไปอยู่นู่นนอไปติดไปอยู่นู่นอะ่ะว่าเออถ้าเราบวชเราจะได้อยู่ใกล้กว่านี้อีกว่ะอันนี้เราเป็นฆราวาสบวชซะเลยวบวชแล้วก็ไปนั่งด้วยนะ่ะวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเออถ้าเราไม่สอนเ้าก็ไม่ได้บนุธรรมอภิ เ, ออปเหปะถ้าพวกเราอะไปไปไป พักง้อมาหลงในกายเน่ากายเปื่อยผู้พังบิณรังนอนนี่พระปกริบะโอโหเสียใจมากเราอุตส่าห์พยายามรักพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ครรวาตเป็นพระเราก็รักเมื่อเรานี้จากพระพุทธเจ้าเราไม่มีความรักอเราไม่ได้เห็นความสิ่งที่เรารักมีประโยชน์อะไรในชีวิตของเราตายดีกว่าว่ากําลังจะไปกระโดดเขาตายกันจบ พระพุเจ้าว่าไปก็ไปเลยนะกําเจารดก็กระโดดเขาตายนี่พระพุทธเจ้าเพ่งแสงสว่างพุ่งผุดไ ป, ปโหตกใจไปแสงสว่างมาจากไหนโยู่ธรรมังปัจเติโซธรรมานาปัจเตถ้าปรภาษาว่าผู้ใดเห็นธรรมปุ น, น, นั้นนี่เราจะสาธกนะถ้าผู้ใดไม่เห็นธรรมปุณณ น, นไม่เห็เราจะท้าเราจะท้าก็คือทำวิใน นีอย่างที่คุณยมหายใจเข้ายมมีสตินะยมอยู่กับพุทธเจ้าท้านึกถึงคุณพระเจ้าก็หายใจกลับพูก่อนหายใจออกมาสักสามวินนับหนึ่งสองสามโทหายใจเข้ากันนับหนึ่งสองสาม ที่ให้หยุดหนึ่งสองสามวินาทีไม่ต้องนับก็ได้แต่ดับกะเอาเ่คือให้เตรียมพร้อมพระพุทธเจ้าก่อนหายใจเข้าให้เธอรู้ขณะหายใจเข้าอยู่เธอก็รู้หยุดล้มหายใจเธอก็รู้ก่อนหายใจออกมาอีกเธอก็ต้องรู้ที่ว่าหยุดสามวินาทีหรือสองวินาทีคือเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะหายใจออกมาหายใจเข้าไปเท่านี้และยม ง่ายเพราะลมหายใจก็อยู่กับเราเนี่เนาะไม่ใช่อยู่ใต้น้ำใต้เสดือใต้เรือหรือว่าอยู่ที่ไห น, นสู้เราเพียงแค่เราดูไม่ได้ถ้าถามว่าอาจจะมีหยมเป็นนักปฏิบัติถ้าถามว่าตื่นขึ้นมานในภายแต่ดูลมหายใจตัวเองบ้างไหมบางท่านว่าไม่ได้ดูเลยทัดมันคิดเองต้องเหินหนุนแน่แล้วจะให้มันมีความสุขได้ยังไงลราเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติอนะ่ะเราไม่ได้ดูตัวเราเลย ไม่พูดมาเกเรื่องอื่นไหนลูกจะไปเรียนไหนเราจะมาทํางานไหนแฟนก็จะไปไหนทั้งพ่อทั้งลูกมันก็ะอานนั่นถ้าอาหารเสร็จหรื อ, อยังอะไรมุนวาจังมัน <c oughs> ไม่ได้เห็นตัวเองเลยนใช่ไหมนะเอายอมดูชีวิตประจำวันยอมอ๋ไม่เป็นไรทีนีถ้าเราปฏิบัติได้ยอมตื่นขึ้นมาอย่าเร่งรีบรุกล่นนอกจากมันปวดเบามันเบามากนะเราตื่นขึ้นมาให้ยมนี่ก่อน ข้าพเจ้าขอขอบบุญขอบคุณท่าเสียดินน้ำลมไฟตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ได้ข้าพเจ้าจะทําดีพูดดีคิดดีทําดีนั่นคือธรรมะพูดดีเนั่นคือธรรมะพูดแล้วไม่มีทําแล้วไม่มีชีวิตไฟต่อเราทําแล้วเราไม่ทุกข์คนอื่นก็ไม่ทุกข์เพราะสิ่งที่ทําคําที่พูดสุติคิดของเรา นั่นคือธรรมะยมจะไปเรียนสูงมากให้เข้าใจกับตัวนี้แหละนี่พานไม่ใกลไม่ไกลหายใจก็ได้ยินนะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะใช่แล้วเรื่องลึกลับอะไรนะพราะพุทธเจ้าจึงจับกำใบไม้บนนึงประดู่รายในวิญขึ้นมาพิสูจนทั้งหลายใบไม้ในกำมือเรากรับในเราปาในมนังม้อปวกันนะโอ้เทียบกันไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะ ไบไม้ในกำมือพระพุทธจ้องค์มีน้อยเดียวแต่ในเราป่ามีมากชั้นใดพิสูจน์ทั้งหลายเราเอาธรรมะมาสอนพวกเธอนนะั้เราเอามาเฉพาะพวกเธอจะทําได้เท่านั้นแต่ส่วนที่เราจะทาพุตัสสรู้มาอุปมาเหมือนใบไม้ในเราป่าแต่เร า, าเอามาสอนพวกเธอแค่นี้นะอุปมามืนใบไม้ในกำมือ มาสอนเจ้าพวกเธอที่จะปฏิบัติได้เหมือนพวกเราเนี่ยนะที่เราพูดเดียวก็เข้าใจกันไหมนี่เข้าใจโอยโอยมหยาธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มานี่มันก็เอียดอ่อนมากจังหลวเพ่อจึงบอกว่าถ้าใครปฏิบัติเริ่มต้นไม่เป็นไรแล้วถ้าปฏิบัติไปช่วงกลางๆนี่ต้องถามครูบาอาจารย์นะทาไมถามก็จะหาว่าเออปฏิบัติทำมาเป็นบ้าเป็นประสาท ไปหลงอารมณ์ตัวเองไงในช่วงนั้นมันจะละเอียดลงไปเรื่อยต้องถามอยู่คุบาจารยอมยอมนะอันนี้ฝากไวใ้ให้ยมให้ยอมเป็นข้อคิดวันนี้เราไม่ได้พูดใกล้ตัวพูดอยู่ใกล้ๆตัวของคุณยมที่ยมจะไปปฏิบัติได้ถ้าคุณยมช่วงนั้นมันคิดมากหายใจลึกๆนะยมนะ แล้วอย่าไปว่าตัวเองโอ้โชีวิตของเราแย่เรื่อกินตอนในยาพูดเป็นหนี้เขาก็ยาบนโอ้ช่วงนี้ทำไมเป็นหนี้เรื่องเกิดยาบนถ้าบนเรื่องเป็นหนี้มันจะใช่หนี้เขาไม่หมดมันก็เป็นหนี้ไปเรื่อยเรื่อยทุกสิ่งอย่างอยู่ที่เราคิดยอมคิดยังไงยอมจะได้อยางงั้นพลังจั ก, กรวาลอยู่ที่กับพิมพ์ยอยมลองทำดูสิ หลวงพ่อกล้าพูดพ่ออะไรหลวพ่อทํามาแล้วจึงพูดให้โยมฟังเราไม่ต้องสงสยัย่าโยมตั้งปณิฐานไปที่ตั้งใจตั้งเข็มทิศที่ตัวเองไปโยมจะใ ช, ช้ชีวิตนี้ไปอยู่ตรงไหนจุดไหนเครื่องบินมันบินอยู่บนฟ้ามันจะรู้ที่ไหนทางไปที่ไหนมันไปกับเข็มทิศหลวงพ่อเคยเขาไปนั่งอยู่ในที่เขาขับแล้วเขานี่ยมนเขาไปดู เอเลือกกิ่งน่โ ย, ยมนะหลวงพ่อมาจากต่างประเทศเขากําลังอา่านประวัติหลวงพ่อเขียนประวัติลงหนังสือคนพ้นโลกเขาอีท่าไหนแล้วเขเดินออกมาเขาเห็นหลวงพ่อนั่งเฮ้ยหลวงพ่อพิชัยจะไ่ไหมใช่โอ้ยนี่ผมอ่านประวัติท่านผมอยากจะไปหาท่านอยู่ทำไมจมไม่มีเวลาอาจารย์อยากจะดูที่เครื่องวินข้างในไหมก็ดีเหมือนกันนะล่ะ ว, วะเขาก็เลยพาไปดูจึงเข้าใจเขาอธิบายให้ฟัง ที่เขาบอกเรานะหยบอ้าวผู้โดยสารต้องพยามนะตอนนี้ต้องอย่าไปเอาเข็มขัดออกน้าน่ะเข็มขัดรัดเอวนั่นน่ะเพราะตอนนี้พายุอากาศไม่ปกติมันมาอยู่ในคอมพิเีอร์หมดแล้วมันรู้ก่อนหน้าล้วหมดแล้วที่อาเจียนมันไปามเข็มทิศมันไม่ได้มาจับเหมือนพวงอะไรเรานี่มันนั่งเฉยเฉยเพียงแค่มันดูเข็มทิศแต่มันไปตามมันน่ะ นอกจากจะเลี้ยงจะเลิฟหน่อยมันก็จับนินนดๆหน่อยมันจะขึ้นจะลกมายกขึ้นยกลงหน่อยท่านั่นนี่นี่แหละเห็นไหมคุณโยมเขาตรงไปตามเข็มทิศโ ย, ยมเบ็ดเข็มชีวิตตัวเองไปทางไหนทุกวันนี้เคยคิดไหมะ่ะชีวิตของเราจะไปจุดไหนล่ะมันก็ต้องมีเข็มทิศของชีวิตพระพุทธเจ้า อโคหัตตมิโลกชาเชโตหามัจมิโลกชาเชตโตอายามันติมาชาตินติธานิปุณณปวุินี่พระพุทธเจ้าเปิดโลกครั้งแรกเกิดขึ้นมาพูดได้เลยยอสามชาติชาติหนึ่งพระโมโหสดชาติหนึ่งพระอิสันดอนชาติสุดท้ายคือเจ้าชาติจัตทะเกิดขึ้นมาคือได้โชว์นิวขึ้นไปที่ขึ้นบนฟ้ายอมเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกนี้ เราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกนี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพราพุทเจ้าคำมาเกิดไม่มีอีกแล้วนั่นเห็นหมร่ะพระพุทธเจ้าตั้งเข็มทิศชีวิตไว้พราะครเดินตามีิตเข็มทิศนะเพราะผูดได้เลเกิดขึ้นมาเป็นชาติสุดท้ายว่าไม่มีคําว่าเกิดอีกแล้พวพุทธเจ้าเดินน่ยทุกยากลําบากยังไงเพระพุทธเจ้าทําทําให้ถึงจุดนั้นเนี่ยเดินเรียกว่า ทำให้สุดกุดให้ถึงพอถึงปรนิภานเนี่ยออกไปที่ไหนไม่มี